ไม่เห็นผลหรอือยังไม่เห็นผลของการปฏิบัติเหรอนี่จะอุปทานว่าจะศึกอยู่อย่างนั้นหรือในใจอ่ะถ้าไปมีอุปทานอยู่ยนั้นการบวชมามันก็ไม่ได้ผลอะไระมันต้องวางทุกสิ่งทุกอย่าง กลัวมันจะได้ผลได้ไม่ใช่จบเพ่งไปแต่อนาคตอยู่นั่นโลกอันนี้มันวุ่นวายเหลือเกินนี่ทำไมยังชอบไปหามันเน่ะเออไปทำงานเงินเดือนไม่พอใช้ก็เป็นทุกข์อืม ก็ตันหาเนี่ยได้เงินเดือนมาแล้วอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากมีเมื่อคํานวณดูจํานวนเงินเดือนเจ้าของแล้วไม่พอกับความอยากเลยนั่นก็เป็นทุกข์แล้ววะนี้ทำไมไปชอบทุกข์นักทุกหนานี่วะเราอยู่อย่างนี้ซะตัดความอยาก ประเภทเหล่านั้นออกทะแลมันแสนสบายบินถ้าบดเลี้ยงชีพวันละมือละมือมันก็ไม่เห็นสู้ผอมอะไรนี่แต่ยังเป็นปกติอยู่ทุกคนอยู่แต่วทำไมยังไม่ชอบความสุขความสบายความเป็นอิสระมันก็อยู่ที่นักปวดนี่แหละ เจ้านายเขาก็ไม่เก็บภาษีอะไรด้วยเขาก็ไม่ขอร้องให้ไปทำอะไรต่ออะช่วยเขาเลยนี่นะเขายกเว้นให้ทุกอย่างเลยสำหรับภิกษุสามเณรนี่นะนั่นนั่ น, น, นจึงว่าเรามีชีวิตเป็นอยู่อย่างอิสระนะเป็นนัก บ, บวชนี่ แนั่นที่ภายในจิตใจนู้นนะมันไม่ยอม ม, มันตกเป็นท่าของตัณหาตัณหามันจูงใจให้มันปั่นความรู้สึกว่าการบวชอยู่นี่ไม่สบายอถ้าสึกออกไปแล้วได้ไปเที่ยวตามสบายกินตามสบายนอนตามสบายนั่นจะมีความสุขดีนี่ตัณหามัน กระชิบบอกอ่ะอันนี้หารู้ไหมว่าตนจะได้ความสบายอย่างนั้นต้องมีเงินนี่มีเงินมากมากพอทีเดียวถ้าเงินไม่มากพอแล้วก็อย่างว่า น, นี้ไอความประสงค์อย่างว่านั้นมันก็ผิดหวังไปนั่นเรีกว่าหาได้ไม่พอจ่ายกันแล้วกันแหละ เขามีรถคัน ง, งามๆขี่เขาเขาก็อยากได้อยากมีมเป็นไงเ น, นี่มีรถมาแล้วเอไม่มีเงินค่าน้ำมันกด็ดื่อนนืน เ, เงินที่หามาได้เราจ่ายไปหลายทางบปนี้นะจ่ายทางโน้นบ้างทางนี้บ้างกมหมดไปแล้ว ก็พอดิ้นลนหากันอยู่งั้นโอ้ยพวกนี้เรามาตัดกิ่งไม้นี่ออกละแดดจะส่องแล้วไม่คำนึงดูบ้างเว้ยเรต้องการรักษากิ่งไม้ไว้ก็เพื่อบังแดดนี้ไม่คิดกันบ้างนะเอาออกแต่แค่มันปกหลังไอ้คาสาราเท่านี้ก็ได้แล้วนะ อันนี้เราไปสัดเอาออกก็ถ้าชนันแผนจางปังวบบนี้มั่นก็นี่แหละเรื่องทำงานนี่มันถ้ามันขาดการวิจารณ์แล้วมันบกพร่องนะขาดความรอบครอบแล้วระบบพร่องแน่นอนเลยมันเป็นอย่างั้น ถึงอย่างไรก็ดีการบวชเข้ามาเนี่ยก็ยังหนุ่มยังเน่นอดทนฝึกฝนตนไปนี่ให้ได้สติปัญญาความรู้ความฉลาดให้ใจมันให้กิเลสหยับหยับตัณหาอันหนยับหยับอันนั้นนะให้มันเบาบางไปจา ก, กจิตใจสักหน่อยถ้าอยู่ไม่ได้จึงสึกไป มันก็ยังดีอยู่นะสึกไปเมื่อได้รู้สินรู้ธรรมได้พอสมควรแล้วอย่างนี้มันก็ไปสึกไปมันก็ทำความดีได้อืามันก็ไม่ไปทำความชั่วอันนี้บางคนนะพอสึกไปล้วก็ไปดวนเหล้าเอาซะเมาแปอ้อยูนน่นั่นนี่แหละมัน ไม่มีความหมายอะไรในการบวชมาอย่างน้อยก็จักสามพันษาหรือว่าห้าพันษาอย่างนี้นะพอได้รู้หน้ารู้หลังรู้ผิดรู้ถูกไปได้ถ้าอยู่ไม่ได้อย่างกิงก็เชิงศึกออกไปมันก็ยังชั่วหน่อยนะขพอที่จะตั้งตัวได้ พอที่จะประคองชีวิตของตนให้เป็นไปตามทํานองครองทำได้จะไม่เหลีวไหลเกินไปใครมาบวชนี่เราก็แสดงโทษของเสพติดให้โทษต่างๆไม่ให้ฟังจนว่าไม่รู้ว่าจะแสดงยังไงนะออป่านนั้นมันยังไม่เห็นโทษนี่ออนะั่นนะศึกออกไปแล้วยังไป ร่ำมานาของมูนนั่นอยู่แสดงว่ามันหนาเอาจริงจริงไงปล่อยให้สะสมกิเลสให้หนาแ น, น่นขึ้นในใจจริงนะพวกไม่ทีไปยังไงล่ะือ ไม่มีเรื่องยุ่งยากอะไรเลยเอาเนื้อพยายามประครับประคองกันไปมันได้ตลอดรอดฟังเทศให้ฟังอยู่เกือบทุกวนันทุกวนันมันก็สมควรที่จะเข้าใจธรรมะได้แล้วนะ ก็พูดให้ฟังอยู่แล้วในพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งสันติสุขเป็นที่ตั้งนี่นะให้พากันเข้าใจสันติสุขแปลว่าสุขเกิดจากความสงบนี่อันความสงบในที่นี่มันต้องสงบพร้อมทั้งไตรทวานนะนั่นนะ สงบ ก, กายสงบวาจาจาก บ, บาปอกุศลต่างๆสงบใจจากอากุศลเหมือนกัน <c oughs> ความมุ่งหวังของการปฏิบัติตามแนวทางของพุทธศาสนาเนะี่ยมันมีอย่างนี้นะผลที่มุ่งหวังจริงๆนะไม่ต้องอ้อมค้อมเลยนะ นั่นแหละเราผู้เป็นนักบวชเนี่ยมันต้องปฏิบัติตรงไปเลยนะไม่ต้องมีอ้อมค้อมนะนั่นแหละอันสำหรับเป็นเครหัสผู้คลองเรือนนั่นนะมันก็แล้วแต่บุญวาสนาของใครของเราเพราะมันมีเหตุจูงใจให้ทาผิดจากศีลจากธรรมมีเยอะแยะ ผู้ครองเรือนนี่นะมันเกี่ยวกับการทํามาหาเรี่ยงชีพแต่ส่วนที่เป็นนักบวชนี่อันการที่จะไปทําบาปทําชั่วด้วยการทํามาหาเลี่ยงชีพมันไม่มีเนี่วอย่างนี้นะ่ะจะไปเดือดร้อนเรื่องอะไรอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องพากันพิจารณาให้ดีเมื่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของเรามันเนื่องด้วยผู้อื่นแล้อย่างนี้เราก็มีโอกาสได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้นั่นเลยไม่ต้องไปทําปานาติบาตอธินากราเมมุสาสุราอะไรหมูนนั้นเราก็เว้นกันมาแล้วนี่นั่นแหละพรหมจรรย์หมูนนั้นะรรนนเราก็เว้นกันมาแล้ว ในอย่างนี้นี่ยังจะทำความสงบใจไม่ได้เนี่ยมันก็นับว่าเป็นกรรมเป็นเวรพอสมควรทีเดียวอะในเมื่อทุกคนมาคำนึงถึงความประพฤติความเป็นอยู่ของเราแต่ละวันละวันนะไม่ได้ทำบาปอะไรจะเป็นทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดี ทางกายก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามหรือไม่ประพฤติอธรรมทางวาจาก็ไม่ได้พูดโกรไม่ได้พูดส่อเสียดไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้พูดเพ้อเจ้อเลี้วไหลอะไรอย่างนี้นะก็ะต้องต่างคนก็รักษาวาจาของตนไว้ ตัอย่างที่แนะนำมานั่นนะถ้าไม่จำเป็นแล้วไม่พูดเลยน้ิ่งอยู่ดีกว่าอย่างนี้เนี่อย่าไปแสหาเรื่องพูดนุ่นคุยนี่ฟื้นเอาเรื่องหลังเรื่องเก่านุ่นมาว่ากันปารบถึงเรื่องอนาคตนุ่นมาพูดกันไอ้อย่างนี้นี่มันทำใจให้พุ่งสั้นเลย มันสงบลงไม่ได้เพราะวาจาที่พูดออกมานั้นมันส่อแสดงถึงอุปาทานใจมันยึดมั่นในอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเมื่อมันยึดมั่นในเรืองว่าเนมันก็รบกวนจิตใจนี่อัดอั้นอไรแบบนี้นะนั่นเนี่ยมันก็อยากระบายออกเนอารมณ์ที่มันขังอยู่ในใจมากๆเขามันก็หาเพื่อน ถ้าคนหนึ่งได้แล้วก็ระ บ, บายอารมณ์นั้นออกมาอย่างนี้หลเมื่อระ บ, บายออกไปเท่าไร่มันก็ยิ่งฟุ่งไปเท่านั้นนี่เพราะฉะนั้นการรักษาวาจาเนี่เท่ากับว่ารักษาใจนั่นแหละเมื่อรักษาใจได้แล้วมันก็รักษากายรักษาวาจาได้เหมือนกันนะ รักษาใจไม่ได้แล้วก็รักษาไม่ได้ทุกอย่างเลยใจดวงนี้มันก็ต้องฉลาดต้องฝึกให้มันฉลาดให้มันรู้จักว่าสิ่งที่ควรหรือไม่ควรนี่มันมีในโลกอ น, นี้นะว่าสิ่งบางอย่าง ควรบางอย่างไม่ควรทําไม่ควรพูดออการรักษาสินสิลจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาถ้ามิตรรักษาสิลเสยไม่ทําใจให้เป็นสมาธิไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเช่นนี้สินก็ไม่บริสุทธิ์ได้ย้อมเศ้าหมอง เพราะบางคนเมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วมันเผลอที่มันจิตมันฟุ้งแล้วเผลอพูดผิดพูดพลาดออกไปโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้นะมันก็ทำศีลในเศร้ามองขุนมัวไปก็ในศีลในกุศลกรรมบทสิบนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะ ท่านถ้าเพียงว่าสินห้านี่ท่านก็บัญญัติเพียงห้ามพูดเท็จพูดคำไม่จริงเท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงสินในกุศลกรรมบท10สิบแล้วก็ห้ามพูดเท็จห้ามพูดสอเสียดยุยงให้ผู้อื่นแตกรล่วสามข้คีกันทะเลาะวิวาทกันห้า ห้ามพูดคำหยาบคายต่อกันและกันห้ามพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อืเนี่นแหละการที่บุคคลจะรู้ได้ว่าพูดอย่างไรถึงเป็นประโยชน์พูดอย่างไรไม่เป็นประโยชน์นี่มันก็ขึ้นอยู่กับปัญญาอีกแหละนี่นะเรียกว่าพ่อปฏิบัติเหล่านี้นะมันเกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่เป็นคนละอันกันมันสัมพันธ์กัน เมื่อจิตมันมีปัญญามันฉลาดแล้วมันก็รู้จักว่าเรื่องนี้ควรพูดถ้าพูดแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังและเหมือนนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ขึ้นมาแล้วพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นแจ้งว่าเรื่องนี้ไม่ควรพูดถ้าขืนพูดไปแล้วมันก็ทำกระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เรื่ดร้อนไป มันรู้ด้วยปัญญาอย่างนี้แ้วมันก็ไม่พูดนีนั่นแหละก็จึงว่าการที่ศีลมันจะบริสุทธิ์ใจจริงจังมันก็ยังอยู่ที่ปัญญานั่นเองอยู่ที่สมาธิอยู่ที่ปัญญาท่านจึงเรียกว่าอาธิศิลนอธิจิตอาธิปัญญาทําทั้งสามอย่างนี้ท่อยที่ท่อย อาศัยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันเดีย๋ยวต้องเข้าใจไว้ผู้เรื่องสมาธินี่นะเป็นเรืนะ่องสำคัญมากทีเดียวผู้ที่ใจเลื่อนลอยแล้วนะ่ะแน่นอนแหละการทำการพูดอะไรก็มักจะผิดจะพลาดไปโดยไม่รู้ตัวนี่ พูที่มีสมาธิจิตอยู่จิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีอย่างนี้มันย่อมรู้ตัวเสมอไปว่าตนพูดอะไรตนจะพูดอะไรตนจะทําอะไรควรหรือไม่ควรผิดหรือถูกนี่มันรู้ตัวได้คนมีสมาสมาธิจิตอยู่นะนั่นไงคนธรรมดาสา ม, มัญไม่ได้ บำเพ็ญสมาธิภาวนาแล้วพอคิดได้อย่างไรแล้วก็พูดออกไปเลยผิดหรือถูกก็ไม่รู้เนะพราะว่าจิตที่ไม่เป็นสมาธิแล้วมันเป็นธาตุของตันหาเป็นธาตุของอวิชชาก็ไม่รู้ดังนั้นมันจึงทาไปพูดไปผิดบ้างถูกบ้างไปอย่างนั้นอ <c oughs> ดังนั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นปฏิบัติกายวาชาใจใจข่งตนให้ตรงไปตามศีลตามสมาธิตามปัญญานี่ไม่ว่าคเรหัดไม่ว่านักบวชก็ก็ต้องปฏิบัติเช่นนี้เหมือนกันเรื่องการปฏิบัติกายวาใาใจแล้ว อันเดียวกันข้อปฏิบัติอย่างเดียวกันแต่ว่าใครจะมีเวลามีโอกาสได้ปฏิบัติมากเท่าไรน้อยเท่าไรเท่านั้นแหละแต่สำหรับขรืหัดแล้วการปฏิบัติตามศีลสมาธิ ป, ปัญญานี้ อ, อนับว่ามีน้อยเพราะมันไปส่งใจไปกับหน้าที่การงานธรรมหาเลี้ยงชีพนั่น มากต่อมากนี่แหละกานที่จะมาทำใจให้สงบสารวมใจให้สงบเมื่อใจสงบแล้วจะรักษาความสงบใจอันนั้นให้สม่ำเสมอไปให้ได้อย่างนี้มันยากเป็นครือสัด <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่เหลือวิสัย ก็ได้บ้างเสียบ้างก็ไม่เป็นไรอแต่ว่าเราต้องคำนึงตะตะเสมอว่าจะให้มันได้ดีแล้วนะมากกว่ามันเสียอต้องตั้งเป้าหมายลง่าอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือนสาหรับที่เป็นนั ก, กวดแล้วนี่มันต้องพยายามให้ดีตลอดไปเลย เพราะมีโอกาสเต็มที่นนเราไม่ได้ยุ่งยากอะไรต่ออะไรหลีกเล่นอยู่ในปากเขาลมเนาภัยอย่างนี้นะไม่มีเรื่องอะไรมารบกวนเลยอย่างนี้มันก็มีโอกาสเวลาสำรวมกายวาจาใจได้เต็มที่เลยฮนะดังนั้นอย่าพากันละโอกาสนี้ให้มันล่วงไปเสีย เ, เป่าอต้อง ทำความเพียรประคองจิตของตนให้มันตั้งนั่นส ม, ม่ำเสมอไปให้ได้แต่ถ้าหากว่ามันเผลอมันคิดปรุงแต่งไปในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์พอรู้ตัวแล้วก็รีบสำรวมจิตทันทีกำหนดละอารมณ์นั้นทันทีมันต้องอย่างนั้นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าตนเผลอไปแล้วก็ปล่อยเผลอเรื่อยไปให้มันคิดมันพุงมันแต่งไปจนเดือดอร้อนใจขึ้นมาไอ้อย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปล่อยให้กิเลสตัณหามันรบ ก, กวนจิตใจใจอ่อนไหวไปตามอำ น, นาจของกิเลสตัณหาเรื่อยไปเมืม่อก็เป็นทุกข์แล้ว มันก็เดือดร้อนกันแหละเป็นอย่างนั้นจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นเครื่งหัดก็ตามแหละการรักษาจิตใจนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนเลยสําหรับผู้ต้องการสันติสุขอย่างที่ว่ามาตั้เบื้องต้นนั่นแหละผู้ที่ต้องการความสุขอันเกิดจากความสงบแล้วเราจะต้องตามรักษาจิตตัวเองนี่ไปตลอดเวลาเลย ไม่ปล่อยให้จิตนีม่มันไปหลงหยึดเอาอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายน่าเสียใจอารมณ์ที่น่าให้โกรธเบียดต่างๆนานาหมู่นี้นะไม่ให้ใจมันเป็นยึดอารมณ์เหล่านี้ไว้ภายในนี่เราต้องตามรักษาจิตไม่ให้มันยึดถืออย่างที่ว่านี่แหละเสมอไปอืถ้ามันเผลอรู้ตัวแล้วกําหนดละทันที นี่มันต้องอย่างนั้นอันจะไม่ให้เผลอเฉลยไม่ได้ดอกผู้ที่ยังไม่รู้แจ้งยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนั้นจะไม่ให้เผลอนะั้นไม่ได้ต้องมีเผลอแต่ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเราต้องตั้งใจไว้เสมอว่าเอาละเราจะให้เผลอน้อยที่สุดอย่างนี้นะ ถ้าเผลอไปแล้วรู้ตัวจะรีบกำหนดใจละทันทีอารมณ์ภายนอกที่หลงไปยึดไปถือไว้นั้ น, นะจะไม่ยึดถือมันไปนมนานนี่ตั้งใจลงว่าอย่างนี้ผู้ปฏิบัติทรรม <c oughs> สำหรับเป็นนักกลัวแล้วนักกัวมีโอกาสมากกวัวผู้ครองเรือนอย่างที่ว่านั่นเลยเขาไม่มีเรื่องที่จะใช้ความคิด ไปหาเงินหาทองเข้าของอะไรภายนอกนั่นไม่มีแต่สำหรับเป็นคาริหั์นั่นนะถึงแม้ว่าจะใช้ความคิดอ่านทำการงานหาเงินทองเข้าขอ ง, ข อ, งอะไรมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษหรอกความจริงนะถ้าผู้ที่มีสมาธิจิตอยู่แล้วเราจะใช้ความคิดอะไรคิด อ่านการงานต่างๆไปมันก็มองเห็นรูปทางของการงานอันนั้นได้เป็นอย่างดีอืเพราะว่าคนมีใจตั้งมั่นแล้วพิจารณาอะไรมันก็เห็นแจ้งไปอันนั้นเล้นเสียแต่อย่าให้มันวิตกไปในทางบาปอากุศล น, นั่นแหละเรื่องใดมันเป็นเรื่องบาปเรื่อง โษแล้วนั่นก็ห้ามจิตได้ไม่ให้มันวิตกไม่ให้มันวิจารไปในเรื่องบาปเรื่องโทษต่างๆโดยเฉพาะโกรธใครมาแล้วไม่พอใจกับใครมาแล้วก็เอามาคิดมาวิจารณอยู่นั่นพอคิดเท่าไรวิจารณเท่าไรความโกรธนะั้นมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นนั่นแหละมนุษย์เราที่มันจะเบียดเบียนกันได้ ทำลายล้างผลาญชีวิตของกันและกันได้แต่เมื่อมันโกรธกันมาแล้วมันไปยึดเอาเรื่องความไม่ดีของผู้นั้นมาวิจารณ์ไม่หยุดไม่หย่อนความโกรธมันก็หนาแน่นขึ้นก็ไปเรื่อยๆในที่สุดก็ตัดสินลงไปหาทางทําลายล้างผลาญผู้นั้นจนได้อมืมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ใดรู้ตัวว่า ความโกรธเกลียดซึ่งกันและกันอย่างนี้มันเป็นอกุศลกรรมเป็นกรรมเป็นเวรอย่างนี้เลยไม่ควรเพราะว่าตนนั้นไม่ต้องการกรรมเวรอันชั่วร้ายตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารนี้ไปถึงแม้จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปในสงสารนี่ก็อย่าให้มีกรรมมีเวรติดตามไปก่อทุกข์ก่อยากให้นี่มันต้องตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้ก่อน คนเรานะ่ะแต่ส่วนมากไม่ได้คิดอย่างนี้นี่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างว่านี่นะนั่นเนีไยเพราะฉะนั้นมันยึงกโกรธมันยังผูกโกรธไว้ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางอถ้าผูใ้ใดเห็นโทษเห็นความโกรธอย่างที่ว่ามาแล้วนี่เนะยมันก็ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเราจักไม่โกรธ แม้ว่าพรังเผอโกรธขึ้นมาเราจากไม่ยึดถือความโกรธนั่นไว้แล้วจากละมันทันทีเราจากเจริญเมตตาขึ้นแทนความโกรธอถ้าเราผู้ใดตั้งใจว่าอย่างว่านี้แล้วแน่นอนแหละความโกรธนั่นมันก็ลุกลามให้ใหญ่โตไปไม่ได้เลยอมันก็ไม่มีกําลังมานี มันก็อ่อนกำลังลงในความโกรธนั้นเพราะว่าใจไม่ส่งเสริมมันระทุกสิ่งทุกอย่างก็มีใจเป็นใหญ่อย่างที่เคยพูดให้ฟังมาบ่อยๆบุญก็ดีบาปก็ดีใจเป็นผู้ตัดสินสร้างมันขึ้นมาถ้าใจไม่ตัดสินสร้างสิ่งใดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นไม่มีนี่เราต้องมองดูจิตตัวเองฮะ เงนั้นเมื่อผู้ใดมีสมาธิจิตตามรักษาจิตตัวเองให้เป็นปกติอยู่เสมอๆไปเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ได้สร้างอากุศลกรรมให้เกิดขึ้นในใจใจที่ตั้งมั่นใจที่สงบเนี่ยมันก็สร้างตั้งแต่กุศลกรรมให้เกิดขึ้นในใจ สร้างแต่เมตตาธรรมการุณาธรรมมุทิตาธรรมอุเบกขาธรรมขึ้นในใจเป็นอย่างนั้นคุณธรรมสี่ประการนี้นะย่อมเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจผู้ทรงไว้ซึ่งบุญกุศลผู้ที่จะรักษาบุญกุศลไว้ในใจได้ก็ต้องมีคุณธรรมสี่อย่างนี้อยู่ในใจ จึงจะรักษาบุญกุศลนี้ไว้ได้ต้องให้เข้าใจก็เมื่อทำอะไรพูดอะไรไปกับใครที่ไหนเมื่อไรไม่เป็นไปดังความต้องการปรารถนาแล้วก็วางอุเบกขาลงให้ได้ไม่ต้องไปเมาเสียใจโกรธเกลียดบุคคลผู้ที่ทำตนให้ผิดหวังนั่นนั่นต่อไปนี่ นี่แหละเมื่อวางอเวขาลงได้อย่างนั้นกุศลมันก็ไม่เสื่อมเพาความโกรธมันไม่ได้เกิดขึ้นในใจอถ้าไปปล่อยให้ความโกรธมันเกิดขึ้นในใจอย่างนั้นแล้วมันก็เผาบุญกุศลที่ทนทํามาเหล่านั้นให้เสื่อมไป